ธกรหมดตรเจจะเดินดำนำจบแถกผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่น้องญาติโยมรูกหลานทุกคนวันนี้นับว่าเป็นวันมหามงคลเอกพลังหนึ่งที่พวกเรามาละเดเกืึอถึง พระคุณของปู่วันอาจาโดที่ท่านได้ร่วงรับดับไปตามส ภ, า, ภ า, าวท่ธาตุาวาธรรมสภาวาันซึ่งไม่มีใครที่จะเี่นได้เลียนได้แช่ผู้มีเกียรติทุกท่านพี่น้องญาติโยมลกหลานทุกคนที่ร่วงรับดับไป มีแต่โรคกร้าของทันส่วนพระุณความเมตตาธรรมของท่านอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์จะนำพวกเราทุกท่านทุกคนเมื่อวันลักษณะ น, นี้หมุนเวียนมาบรจบครบรอบพวกเราอยู่ใกล้อยู่ไกลอดไม่ได้ที่จะมาแสดงออก กายวาจาใจของพวกเราเพื่อเกิดความเป็นบุญเพืティティ่อบูชาพระสงฆ์นอกจากบุญมีในพวกเราที่พวกเรามีตาสฉยเจตนามาบุญคือความดีที่พวกเราแสดงออกลักษณะของธานสิ่งภาวนาน้อมบูชาพระสงฆ์เพื่อเกเป็นบุญเอกวาล พี si ่น้องญาติโยมแจ่โผู 3, ้มีเสียรติ 4, ุกท่าพดเรืว่าการเวลาที่หลวงปู่วันจากไปถึงปี20 20 30 40 50ที่ปีนั้นะครับ20 30 40 50เสียเกือบปีเล 45ปีหนอถ้านับวันยันปีต็ม45ปีถ้าเราเรียกผลประคุณเมือเราโผล่ยังอยู่พวกเราพี่น้องญาติเราเข้าใจอย่างนี้หรือถ้าเื่อพวกเราไปคิดว่าเออเราปูกท่านเจาาไปแล้วพวกเราขา่เพิ่นทางใจ ไม่เหมือนสมายองหลวงปูยังมีทีวีอยจะไปเิดอย่างนั้นนะถ้าใครเช็ดอย่างนั้นก็แสดงว่าใจของพวกเรายังไม่เข้าถึงคำสอนขององหลวงปู่องหลวงปู่ควันท่านนาท่านเน้นหนาท่านภาคก้อยพบัติอาตมาจะขอทบทวนอีกวาระเนะิ เนิรอถึงคำสอนขององค์หลวงปู่ควานเพราะอาจจะมาอยู่กับหลวงปู่ตั้งแต่ปีศูนย์เจมาจนถึงปีสองศูนเจปีหรือสิบกว่าปีสิบหกปีเนาะดังนั้นเอยู่กับหลวงปู่ไม่เคยไปจม ตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติท่านก็ไม่้สอนเรื่องอื่นเรื่องไกลหล่ะเรื่องทางสิ่งภาวนาโดยเฉพาะวันพระวันเจ้าท่านสอนให้นั่งสมาธิอยู่ที่ธรรมฐานหลังภวานท่านเอาจริงเอาจริงเลยท่านสอนให้นั่งสมาธิ ปลกุกความสำนึกให้มีศรัทธาเชื่อมัน่นเริ่มแรกกันว่า <c oughs> พวกเราในะ่นถึงจะบวชเป็นพระเป็นแม่เป็นแม่ขาวนางทีหรือชาวบ้านเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่าไปเข้าใจเรื่องอื่นงนาะที่พวกเราเกิดขึ้นมาได้พบนี้นั่นนี่ท่านย้ำย้ำ ให้เข้าใจการความเป็นจริงว่าบุญพาพวกเรามาเกิดบดุญนี่เกิดจากอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนดัชเิออื่นศาสนาอื่นสอนที่เกิดแห่งความเป็นบุญที่บุญพาพวกเรามาเกิด เดมทานใหม่การจะพาเสียตลาดใส่บาดพระสมองค์เดนทุกวันทุกวันอันที่สองสีละใหม่หลวงปู่ยำหลวงปู่วันบนเกิดจากการละเว้นจากข่วงจวบ ท่านามเรื่องศิลห้าที่พวกเรานำมาฝึกนำมาปฏิบัติกลัวพวกเราจะไม่เข้าใจท่านสอนว่าคำว่าศิลห้าสิน ห, านหา้านั่นอาจจะไปดูที่อื่นนะพี่น้องญาติโยมอย่าไปดูที่อื่นกันว่าแต่ตัวของเราหรือแต่ตัวศิลหา้าอย่าไปเข้าใจว่ารับจากพระสองฆ์องค์เจ้าถึงจะมีศินอยากจะ็บรักษาศิน อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะไม่จำเป็นจะขอจากปลาจากเจ้าศีลตามที่ขาบทอนนั้นเราลาธนาขอจากพระสงฆ์องค์เจ้าอันนั้นน่ะตำลาจังหวาท่านว่าเรื่องตำลาต้องโอปนายนีโตน้องตข้าดูความจริงของจริงจังว่ะของจริงคืออะไร ของจริงความจริงคือตัวของพวกเราทุกคนนี่แหละอันนี้คือตัวสินหา้านับยังไงขาสองแขนสองเศษอเนกรวมกันเป็นหา้านี่ตัวสินหา้าจังหอย่าเอาตัวศินหา้านี้ไป ท, ทาโทษข้า โทษคืออะไรไปสมาทานจากพระสงฆ์องเจ้าปานาทินาตาเมโมาตาสุลาอันนั้นอนะ่ะไม่ใช่ตัวสินัน่นโทษนั่นนะอ่ะเส่็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เสร็จาล้วก็เวลามานีเวลมาเวลมานให้พากันดีให้พากันเรี้ยงให้พากันเบนถ้าเด็กเลี่ยงโทษห้าอย่างนั่นอนะ เห็นบุญกุญที่พวกเราเกิดขึ้นมาพบนี้จากนี้ตัวบุญคือตัวพวกเราเพราะพวกเราเว้นจากโทษห้าอย่างนั้นในอดีตครับฉะนั้นตัวพวกเราเป็นตัวบุญหรือว่าตัวถึลตัวทำอย่าไปดูที่อื่นอย่าเป็นรักษาดิงรักษาตัวของพวกเรารักษากายรักษาวาใจ รักษาใจรักษากายอย่าไปฆ่าอย่าไปลักษาอย่าไปประพฤติผิดจากการบกที่นอนญาติโยมที่นอนลูกหลานวันนี้ดังเล็กเล็กถึงบูชาประพุทของหลวงปู่ปาน อาตมาอาลาธนาเอาคำสอนความเมตตาธรรมของหลวงปนะู่นะฉะนต้นอาจาโนดคนเราชาวพุทธจะนั่งฟังอยู่ที่นี่หรือพวไดนนั่งฟังอยู่ที่นี่เราเอาศีลห้าไปเป็นเครื่องวัดอย่างละเว้นทางกตายฆ่าสัต ข้ามานุษย์ถ้าเพื่อเป็นไปได้มดตัวแดงแมางตัวเล็กละได้เด็ดีสุดส่วนที่เป็นบาปมากข้ามานุษย์ข้าผู้มีพระคุณทำลายผู้มีพระคุณข้าผู้มีพระคุณจะร้อ ท่านผูมีทระคุณให้เสียออกเสียใจเจ็บอกเกจ็บใจข้ามการของสังคมข้ามการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราข้ามการชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวข้ามการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกของหลานลองเอาสิ่งที่มันเผ็ดสิ่งทางการ พวกเราเชื่อมันเถอะว่าพวกเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มีรูปสมบัติถ้าเราละเว้ได้ดีได้ละเอียสมบัติความเป็นรูปที่น่ะจะสูญจะงามเราต้องการอย่างนี้มาเจ็บถ้าโลกกีรย์ไ ล, ล่กีเล็กแสดงว่ารักษาสิ่ง ไม่บริสุทธิ์ไม่สงบทำให้จิตใจไม่ผ่อนใส่ไม่สะอาดฉะนั้นรักษาสินได้น้อยจิตใจมันเศร้าหมองคุ่นมัวเกิดในพบใดแา้ใจะเป็นคนสวยคนงามเนยากแสนยากฉะนั้นสรรชาติยานตั้งใจไม่ว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงในขณะนี้ทุกเพศทุกวัย สันชาตสยามก็ต้องการความสวยความงามอยู่แล้วเกิดขึ้นมาเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเชื่อเถื่อนน้องญาติหลวงเชื่อคำสอนของผู่ฟันที่หลวงปู่เอาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องเสียงเดื่องธรรมมาแนะมาเลือนมาบอกมาสอนถ้าเผื่อพวกเราเลยึดมั่นลักษณะในการเล่นจากความชั่วาการใจการค้า า ร, ารักทรับประพฤติผิดทางการโดยเฉพาะทางการข้อที่สามยุคนี้สมัยนี้ขอย้งตรงนี้ใครที่เดียวจะช่วยเราสิถ้าหลงปู่ดันช่วยแล้วเรายังเสื่อยู่ถ้าเราไม่ช่วยเราแล้ว ใจของเราต้อจะเป็นบาปไม่ใช่ใจของเราต้อจะเป็นกรรมเป็นอกุศลกรรมเป็นบาปเป็นกรรมถ้าใจเป็นบาปเป็นกรรมลักษณะนี่ใจไทยทีอเนี่ยใจใจตัวเองฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่น่ะตั้งใจฟังดีๆไม่จะเฉพาะการจะทำทางตายทางวาจา เว้นจากการพูดโกหกความมิซื่อสารผิดจริตหลอกลวงต้มตนอันนี้ถึงคาพูดของพวกเราตรงนี้พวกเรารักษาบาจากคาพูดของพวกเราเดีขอบาเกตความเป็นสินเป็นดามากน้อยขนาดไหนถ้านในพูดไพเราะอ่อนหวานพูดสมานใจพูดมีประโยชน์ ท่พูดเลยนะสมบัติของพวกเราไว้พระจีสมบัติอะไรโรคสมบัติพระจีสมบัติเป็นสมบัติลําค่าเป็นสมบัติพวกเรานี่หลวงปูป่ว่านย้ำย้ำย้ำอยากต่ให้พี่น้องญาติยโยมเข้าใจที่ไปที่มาเข า, าบุญบุญเป็นยังไงตัวของพวกเราตัวบุญบุญทีญ่พกา พ, าพวกเรามาเสด็จแล้วพบหน้าฉากหน้าต้องมีอีกแน่นอนมีอีกยังไง ดูใจของพวกเราในกระดาษนี่เอาหลวงปู่ฟั่นย้ำแล้วย้ำอีกใจของมนุษย์คนเราที่มันตายไม่เป็นมันสลายไม่เป็นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่เฮยท่องหน่อยสมบูรณบริบูรณ์เลยนอกจากมาดูใจ ใครรู้ว่าใจมันตายไม่เป็นแล้วแต่มันแก่ไม่เป็นใจตรงนี้น่ะคนอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็บบบไปแล้วเขาเรียกคนแก่แล้วแต่ในเมื่อดูใจรู้แก่หลายสิ่งฉะนั้นอย่าย้ำตรงนี้อย่าปลุกความจำเนึกเนึกถึงพระคนขององค์หลวงปู่ปัญโสนพวกเรา นั่งฝึกสมาธินะวันพระวันเจ้าทาวัดไหวพระเสร็จบางครั้งฉันกับประเ ด, เดาพาทาวัดบอกเทียนตะตาพระไหวพระเสร็จเข้าที่เลยนั่งสมาธิเลยเมื่อรักษณะนี้ขณะนี้พวกเราทำได้ไหม ได้เอาท่าได้นำพี่น้องญาติโยมพี่น้องพวกงด่าเหมือนอย่างองค์ปู่ฟันอาจารย์หลวงท่านยังบีบีวิตอยู่ท่านสอนให้พวกเรานั่งสมาธิอาตมาจะได้ล่าตนาเอากำสอนเนึกถึงความเมตตาธรรมขององค์ปู่ฟันนำพี่น้องญาติโยมเนือน้ อ, อถึงคำสอนท่านสุดสมาธิจุน อ้าเข้าสู่ความสงบจะนั่งพักพิวหรือจะนั่งขัดสมาธิคำสอนขององค์หปู่ฟันทั้งสองให้ก่อนที่จะนึกพุโทโธพุธโทโธพายในใจท่านในยสอนได้สอนพวกเราว่าให้นึกพุโทโธทำโม พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหงษจะก่อนรวมพุทโธพุทโธกันเดียวเอาทำในขณะนี้เลยทีนี้อาจารย์จะอธิบาย บางท่านบางคนอาจจะนึกพุทโธพุทโธทําให้จิตใจสงบเบาขึ้นมาได้บางท่านบางคนอาจจะใช้ส่วนอื่นมาเป็นส่วนประกอบการนึกพุทโธส่วนอื่นอัจามาจะได้นํามาอธิบายตรงนี้แล้ว่ า, าโคตร ลองเข้าหายใจเข้าลึกๆอ่ะฮู้ดโธ่หายใจออกยาวๆฮู้ดหายใจเข้าลึกๆ คนอาจจะได้สุดผลิตนิสัยลักษณะนี้ก็ให้ทำอย่างนี้ทำไมจะมีนโยบายให้นึกพุทธองเนต้ตนอตะนดดูลมลึกอหายใจออกยาวยาเพราะพลังของสติ ข้คมความนึกความคิดบของจิตใจมันมีกำลังน้อยใจคือความโลภเดี๋ยวนี้เรานั่งมันโลภอยู่ดับตางนามันโู่เห็นได้ชับใจคือความโลภมันไม่เจ็เห็นได้ชับ ใจคือความรู้มันไม่ตายเห็นได้ครับนอกจากไม่แก่ไม่ตายตรงนี้พบหน้าชาหน้าต้องมีอีกแน่นอนฉะนั้นไม่ว่าใครทั้งนั้นะจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับไหนก็ไหรือประชาชนชาวบ้าน ทุกยากรุกบาปการก็เถิดไม่ว่าแต่มนุษย์คนเราเลยแม้สัตว์เดรัจฉานขึ้นชื่อว่าจิตใจนี่นะไม่เคยตายไม่เคยกลายแต่แล้วโปรดโปรดความสันนึกให้นึกพุโทโธเพื่อให้รู้เรื่องของใจพุทโธพุทธคือผู้รู้ผู้รู้ ใจนี่นะ่ะใจคือผู้รู้ฉะนั้นส่วนประกอบเอีกลัตษณะหนึ่งที่นึกพุทธโธให้เห็นหะน้าเห็นอะไรพุทธโธแปลก่าผู้เบิกบานถ้าทำใจให้สงบหายใจเข้าเลื้อหายใจออก ใจมันจะมีความจะบอกในขณะนั้นมันจะเกิดความโสดขึ้นเด่นเดินเบิกบานเยิ่มเยีมแจ่มใสเย็นอกเย็นใจกลายเป็นพลังของใจสมาธิเป็นพลังของใจถ้านอธิบายให้ฟังอีกสัตว์หนึ่งเนี่ยพุทโธเป็นผู้บรราพุทโธเป็นผู้รู้ กำไรมนต์ใจของพวกเรามันรู้อยู่ในขักษณะนี้นะพุธทธบอกเพุโทโลกหมายนต์ใจเด่นย้ำตรงนี้อยากจะให้พวกเราทุกท่านทุกคนได้เข้าใจความหมายหราทกำไมพระพุทธเจ้าตึงสอนในลักษณะนี้ปองหลวงปู่วันอาจโยท่านหมายตรัสสอนบรรดาพวกเราพุทธบริษัทลักษณะนี้ก็อย่างว่าเนี่ย ถ้าไม่สอนลกนักษณะนี้ความนึอความคิดมันมีอยู่ที่ใจความเลอความคิดอันนั้นนั่นปเป็นวัยเจ็ดจเดเจ็ดใจเจ็ดใจนะต้องใช้ความฉลาดตงนี้ <c oughs> เมื่อพวกเรามาฟังามาฝึกมาฝึกมาฟังมันจะเกิดความฉลาดเกิดความฉลาดยังไง ความเลือความเิดไม่มีขอบไม่มีเขตใจของพวกเรายังเป็นสามัญชนยังเป็นกุตุชนร้อยทั้งร้อยเรื่องกิเลสเรื่องปัญหามันจะพาคิดคิดตรง น, นี้ตัญหานะถ้าปล่อยให้กิเลสปัญหาอย่างเดียวพาคิดคิดคิดมากมีปัญหามากคิดมากทุกมาก ท่ามกางของสังคมทุกวันนี้ปัญหาทางจิตใจมันมีมากหน่วยงานทุกหน่วยงานบนเนื่อยใจทงการทำงานเนือยใจอยู่แล้วมันเหนื่อยใจก็ไปีกับเพราะท่านกางสิ่งเบ็ดรับยุคนี้สมัยนี้มีเรื่องทำมาคิตของใช้ในหน้ะ เทคโนโลยีเอาไปเอามาตัวเองจะใช้ความคิดความนึกความคิดการกระทําจากตัวเองจะจะไม่ได้ดด็คิดเด็ดทำจากตัวเองอาศัยความรู้จากเทคโนโลยีมากตัวอย่างการคิดแด้บวกแด้คิดแด้ที่หนากดปั๊บกดปั๊บกดปั๊บกดปั๊บมันไม่ได้ใช้ความคิดจิตใจคิด ให้เกิดความฉลาดเหมือนเด็ก่อนในต่นนั้นทุกอย่างวิ่งตามกระแส่านิยมแบบวัตถุนิยมข้านิยมเทคโนโลยีมันเลยเดิมเลิมใจของตัวเองเลิมเรื่องของจิตของตัวเองปล่อยให้คิดมาคิดไปร้อยแปดกันเรื่องอันใดที่ควรคิดอันใดไม่ควรคิดไมได่เลือกเป็นตรวนี่หนะ เมื่อไม่เลือกแฟนจากความคิดการกระทำที่แสดงออกมันก็ผิดมีอะไรเป็นเครื่องประับยางศินข้อที่สามพี่น้องย่งชิมพี่น้องรปหรานพวกเรากลัวบาดมากน้อยขนาดไหนสินข้อที่สา ม, า ม, มาห้ามอะไรตาเมซุเมช่าจางห้ามอะไร เหตจาวเวสประเพณีสามีภรรยาบทธิดา้าว่าบทธิดามันเป็นกฎธรรมชาติถ้าผ่านขนมทำเยงประเพณีอันนี้มีเครื่องรับรองกันตั้งเสจะรับรองรับนวนตัวหวงา รับผิดชอบถ้าต่างฝ่ายต่างขางนขนรทมเนียมประเพณีรับผิดชอบกันเป็นวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยๆชาวพุทธไม่มีเรื่องไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ทางการทางสังคมทุกวันเนี่ยลองเอาสินข้อที่สามไปวัด พวกเรากลัวบาปมากน้อยขนาดไหนกับเดื่อวนี้ข้อที่สี่ก็เหมือนกันข้อที่ห้าก็เหมือนกันพวกเราเน้กว่าสิ่งที่เราไปทําแบบนั้นอะ่ะมันเป็นบาปพวกเราเนึกว่ามันเป็นบาปกลัวบาปมากน้อยขนาดหนพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานแชร์ผู้มีเกียรติทุกท่าน ยกนี่สหมายเนีใครทำอะไรที่ไหนประเทศไทยเราพ่วงต่อพ่วงรู้ขกกนบอะไรรู้ในสิ่งที่น่าตระหนกสังเวชนะสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นพุญเป็นโทษเป็นมีค่านิยมํากันนะยกตัวอย่างนอกจากการดื่มสุดาสารบางอย่างสารบางชื่อ ชื่อมันระบอกเรือบาปยาบาปไปซื้อมากินทำไมไปซื้อไปหามาขายกันทำไมชื่อมันระบอกเรืบาปปลุกความจำเนึกตรงนี้อยากจะให้พวกเราทุกท่านทุกคนเข้าใจถ้าเผื่อไม่ตั้งใจแล้ว พูดมันไม่เข้าถึงใจงเนื้อหาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนื้อหาคำสอนของหลวงปู่ฟันน่ะถ้าเผือไม่ตั้งใจถ้าไม่พูดในขณะที่พวกเราตั้งใจมันจะเข้าตำดาพูดไปแล้วมันเข้าหงหัวอมออกถึง้ายถ้าเราตั้งใจฟังตั้งจิตฟังเนื้อหาในสิ่งที่มัน เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมฟังแล้วมันลงถึงใจใจมันเกิดความผัวถึงใจมันเกิดความละอาไม่เอาแล้วชื่อมันกิดออกเป็นบา้าไม่กินแล้วชื่อมันกิดออกเป็นบา้าจะซื้อมากินเป็นบ้าทำไมยอย่างข้อที่ห้าในนั้นะ คูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่ฟันหลวงปู่อ่อนหลวงปู่สาวรุนราเขาเดียวท่านท่น า, านว่าเมาน้อยเป็นบาน้อยถืนว่าเมา ม, ามากเป็นบามน่ราเเรารู้อยู่ไปชบ้าอย่างนี้ไม่บ้ายังไงอ่ะคือขณาเป็นเพื่อนกั น, นแดนอย่งนี้นไ่ได้ออกจาก ต่อหันตายแล้วขนาดผัวเมียตัวเองได้แท้น่ะไปข้าให้ตายหรือพ่อตัวเองได้แท้จะฆ่าให้ตายหอมบิดหมาพี่น้องญาติโยมแจกผู้มีเกี่ยวทุกท่านลูกหลานทุกเชื่อเถตอนนี้ ถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจฟังตั้งมติฟังพวกผู้สันติธรรมด้านจิตใจของพวกเราไม่มีใครแล้วที่ต้องการความไม่ดีไม่มีใครต้องการความเป็นบาสงบาตรอันล้ำค่าของพวกเราเนะี่ยให้เน้นถึงคําสอนขององค์หลวงปู่ฟันหยา่ว่าเนี่ยเราจะเห็นความเมตตาธรรมขององค์หลวงปู่ถึงจะได้นจากไปคําสอนของท่านอยู่ในหลัก ทานศีลภาวนาให้พวกเราพยายามลับเว้นจากสิ่งที่มันเป็นพวภูติโพพยายามฝึกจิตใจให้มีความสงบอย่างที่พวกเรานึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทธะคือปุโรหิหมายรวมใจให้รู้ว่าใจของพวกเรานี่นนะ ความแก่ไม่เป็นมันตาไม่เป็นนอกจากแก่ไม่เป็นตายไม่เป็นแล้วใจของพวกเรานี่มันมีโลคมีโกวยมีโมองมีปัญหาอยู่ในใจของเราทีานั้นเราต้องใช้ความเจริญอาศัยเนืกถึงทำสอนเขาองค์หลวงู่ฟันมาเป็นแนวทางเชิดความเชิดเราล่าแว่นจากสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษที่หลวงปู่ท่านสอน โลกสมบัต um yeah. ิของพวกเราเนี 3, đ àn, đ la, ่ยเราจะทำแต่สิ่งที่มันเป็นบุญเป็นผู้สนทางการทำทางกายทางวาจาทางจิตใจความเนื้อเ็ทางจิตใจนี้ก็เกิดเป็นผู้ตื่นตือนตนตื่นตัวโอ้เกิดมาพบนี่จ้านี่บุญบาปมาเกิดควรไหมจะเป็น ทำบาปทำกรรมให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเปรตเป็นผีตัวนรกเวทีพี่น้องญาติโยมเราเชื่อไหมว่าในโลกเวทีมีเป็นเปรตเป็นผีดีพบหน้าแค่หน้ามนุษย์คนเราสัตว์ทั้หลายเราเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกปลกความจำเลิศตรงนี้ต่อยตรงนี้หนึ่งใจที่ไปตกนรกมันไม่มีจะเคาะใจนะ โรคมันตากบอยู่ในกับใจลูกตัวของมนุษย์คนเรานะพวกเราวเคได้สังเกตมาอย่างเป็นแปลเป็นผีมันมีมันไม่ใช่ไปเฉพาะใจนะไปทั้งรูปล่างนะไป็นตัวโรคมันไา้มันไปทั้งรูปล่านะงให้สังเกตว่าไล่ใจในขณะที่พวกเรานอนฝนันเอา ในขณะที่พวกเรานอนฝันนะั่นละลูกสมบูรณ์ทุกอย่างในใจเราขาสองแขนสองศีรษะอวัยวะทุกสาดส่วน้าเป็นตัวของเราที่แล้วในขณะที่นอนฝันม่เต็มนั้นนหะตัวของเราจริงๆมานอนอยู่ที่นอนแต่ปรากฏในรูปในจิตนั่นนะ ดับคำคำสอนขอ ง, ของรพระพุทธเจ้ารูประจิตปุญญาเป็นสังขารอปุญญาเป็สนสังขารสังขารคือความเึกความคิดๆๆๆถ้าปัญญาเปานานนๆๆๆน็นสังขารสังขารคือความเึกความคิดขณะสังขารคือโูกบ้างที่ปรากฏในขณะที่พวกเรานอนฝัน ผลอาในสงการรักสาสินทำบุญ น, น, น, น, นิทานนั่งฟวาเทศความธรรมภาวนาเนี่ยจะปรากฏเป็นลกเป็นผู้ชายปรากฏเป็นลูกเป็นผู้หญิงถ้าลูกลักษณะนั้นปากฏอาในสงฆ์ผงบุญมีทานศินภาวนามีออกจากลูกล่างโลกที่เป็นผู้ชายนั่นจะกลายเป็นเพศผู้ รูปทีเป็นพวกหญิงจะกลายเป็นเทพไวดาขนาในสงครามจะพาเสียจะละทำบุญทำทานมากน้อยมันจะกลายเป็นจมบดทิพย์เลทนะีเนียมันมีได้เพราะอะไรมีได้เพราะพวกเราได้กระทำและจะเดาออกสมมติว่าพวกเราเือเไ ว, ด, วดาทนะีเดี การใส่บาตรจันหรันการทําบุญทำทานมากน้อยมันเคยไปทําเลยนึกไม่ได้เมื่อนึกได้แล้วมันจะมีได้ยังไงพวามนึกไม่ได้แต่พวกเราไม่ได้ทําไว้ฉะนั้นในสิ่งที่พวกเราทําไว้ที่หนาทําบุญทำทานมากน้อยใสว่าจันทันมากน้อยทุกวันทุกวันนึกมันก็เห็นไม่นึกมันก็เห็น อันนี้หมายว่าอาเดสนี้เกิดจากการกระทาทางเทียมันถผกสีนถูกล่าำฉะนั้นเมื่อใจออกจากล่างพยานว่างสมบัติความเป็นทิพย์ปรากฏขึ้นเฉพาะใจของพวกเราได้รวบรวมสมบัติอาเิสงทางนศีลภาวนาใจของพวกรากายนตู้เต็บเจ็บสมบัติมีไว้บนกุศลส่วนนี้จะเดือดโดย วันนี้พวกเราเนาะดำลึกนึกถึงพระคุณของผู้ว่านอาจารย์โอพวกเรามาตากบายตาเนึกถึงทานถึงศีลถึงความเมตตาธรรมความเป็นบุญในขณะที่พวกเราแสดงออกนึกขึ้นมาระโลไม่นึกกระโลเพราะแสดงออกทางกายวายจาใจาของพลังสมบูรณแล้วถ้าเราไม่ทำไว้ที่นี่ นึกเห็นไหมนึกได้ไหถ้า่วพกเราไม่ทําองในทางทางศีลภาวนานึกไม่ได้นึกไม่เห็นไอ้ส่วนเรื่องไว้ใจเรื่องที่แี่เห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนคิดทั้งวันคิดทั้งคืนอันนั้นดับจิตใจที่เป็นรูปลาง ในขณะที two, right profiles, Honestly, grasp, like ่ม yeah, ันมีปัญหากวาเป็นทุกข์ด้านจิตใจจะไปต้องกัดอะไรกปนนี่จิตใจเป็นทุกข์ทกเหมือนเปรกทุกข์เหมือนผีทกเหมือนสัตว์นรกที่น้องญาติโยมแจกผู้มีเกียรติทั้งนั้นเทสาธรรมในวันนี้เนึกถึงเอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่องค์หลวงปู่ฟ้นอาจาราโรนำมาเทศน์สอนของพวกเราสอนในพวกเรา ซสรงใจเราก็ะกอตัวอยู่ด้กอบเกบควาองริงของรมเพราะความเมตตาธรรมขององค์หลวงปู่ปัญาอาจารย์เพราะองค์หลวงปู่เชื่อบ้นคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามานุษย์คนเราเกิดขึ้นมาบุญบามาเกิดแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็าานิจังความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตามวันเดือนปีจากเด็ก เป็นโหน่งจากคนโหน่งก็คนเท่าคนแจ่เปลี่ยนจากคนเท่าคนแจกแล้วไปขึ้นไหนถึงจบชีวิตและดังนั้นพวกเรารู้ตัวไหมตรงเนี้ยตื่ตนตัวไอยถ้าไม่ตด้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์หลโมหะคนหน่งนี่แล้วมันจะเกิดความโมัวมนโหน่งดังนั้นถึงยังไงยังไงก็ ว่ครั้งหนึ่งในชีวิตชาติที่เกิดขึ้นมาพบนี่ชาแนีลพวกเราได้มาเจอมาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีโชคมีลรักอย่างต้องเจอเจดจอบรุษจากปริทลาโภเป็นผู้มีโชคที่รักอย่างต้อเจอแล้วเจดฉันทำมัตตภาวนาได้มาได้ยินในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีโชคที่ักอย่างต้องเจอที่น้องญาติโยมแจ่ผู้มีเกียรติท่านลูกหลานทุกคนภูมใจ นาไปฝึกปฏิบัติเถอะหีดใจของพวกเราเจ็บผลการฝึกการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยใจของพวกเริการเป็นตูเจ็บเจ็บสมบัติตรงนี้สมบัติอัทสอตัวนี้จะพึ่งของปกป้องพี่น้อังยาโยมไม่ตกพกได้ยาก เกิดพบใดแค่ใดมีแต่ความจุกใจสบายใจชมความปรารถนาฉะนั้นนัทายที่จุกจมาขอเชิญเอาุณพระษีรัตนตไัรคือพุทธารัศนาธรรมรัตนาสังฆา ร, รัตนาจงมาเรยเชื่อสุขกองปกป้องพี่น้องจะติพี่นลูกหลานในพ้นจากภพกโศลโวคไปหรือปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นเหมือนวลาขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนชมชมความปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ